ธรรมบทแปลเรื่องที่166ภาคที่6เรื่องกุดุมพีคนใดคนหนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงรารพกุดุมพีคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปิยะโตชายตีโสโกปิยะโตชายตี พยังปิยะโตวิปปมุตตสระนัติโสโกโกุโตพยังแปล ว, ว่าความโศย่อมเกิดแต่ของรักภัยย่อมเกิดแต่ของรักความโศย่อมไม่มีแกผู้ปลดเปลื้องได้จากของรักแล้วภัยจะมีแต่ที่ไหนเล่า ความพิสดานว่ากุดุมพีนั้นครั้นบุตรของตนธรรมกาละคือตายแล้วอันความโศกถึงบุตรครอบงามแล้วก็ไปสู่ป่าช้าร้องห้าอยู่ไม่อาจจะหักห้ามความโศกถึงบุตรได้พระศาสดาพิจารณาดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งชรงเห็นอุปนิสัย โซดาปฏิมาของกุฎุมพีนั้นครั้นเสด็จกลับจากบินตบาทแล้วได้ทรงพาภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณนะรูปหนึ่งเสด็จไปที่ประตูเรือนของกุฎุมพีนั้นกุฎุมพีนั้นได้ฟังความที่พระาศาสดาเสด็จมาคิดว่าพระาศาสดาคงประสงค์จะทําปฏิสันถานกับด้วยเรา เขาจึงอัญเชิญเสด็จพระาศาสดาให้เข้าไปในสู่เรือนปูอาสนะไว้ท่ามกลางเรือนเมื่อพระาศาสดาประทับนั่งแล้วเขาก็มาถวายบังคมแล้วนั่งที่ส่วนควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสถามกุดุมพีนั้นว่าอุบาสกท่านต้องทุกข์เพราะเห็นอะไรนาะแลเมื่อกุดุมพีนั้น กรามทูลว่าทุกเพราะพลัดพรากจากบุตรแล้วพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าอุบาสกอย่าคิดเลยชื่อว่าความตายนี้มิใช่มีอยู่ในที่เดียวและมิใช่มีเฉพาะแก่บุคคลผู้เดียวก็ชื่อว่าความเป็นไปแห่งพบยังมีอยู่เพียงใดความตายก็ย่อมมีแกส่สรรพสัตว์ เพียงนั้นเหมือนกันแม้สังการอันหนึ่งที่ชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงพิจารณาโดยอุบายอันแยบกายว่าธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมดาตายเสียจแล้วธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรมดาแตกเสียแล้วก็ไม่พึงเศร้าโศกเพราะบัณฑิตในสมัยโบราณทั้งหลาย ในการที่ลูกรักตายแล้วพิจารณาว่าธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมดาตายเสร็จแล้วธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรมดาแตกเสร็จแล้วดังนี้ก็ไม่ทำความเศร้าโศกเจริญมรณะสติอย่างเดียวดงนี้กุฎุมพีนั้นจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บรรณิตพวกไหนได้ทำแล้วอย่างนั้น และได้ทำในการไรขอพระองค์จงตรัสบอกพระผู้มีพระภาคเมื่อจะส่งประกาศเนื้อความนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาในอุรคชาดกในปัญจกรนิบาตและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาว่าบุตรของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้ละสตรีระของตนไปดุดงูลอกคราบเก่าฉะนั้น เมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้ปริเทวนาการของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นนั่นเองดังนี้แล้วจีนด้ตรัสต่อไปอีกว่าก็บัณฑิตในการกร่อนเมื่อลูกรัก ทำกาละอย่างนี้แล้วไม่ประพฤติอย่างท่านซึ่งทอดทิ้งการงานแล้วอดอาหารเที่ยวร้องไห้อยู่เดี๋ยวนี้ไม่ทําความเศร้าโศกด้วยอํานาจมรณสติภาวนารับประทานอาหารและอธิษฐานคือตั้งใจทําการงานเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่าลูกรักของเราทํากาละแล้ว แท้จริงความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมอาศัยของรักนั่นเองเกิดดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาานิว่าปิยะโตชายตีโสโกปิยะโตชายตีพยังปิยะโตวิปะมุตตสะนัติโสโกกุโตพยัง ความว่าความโศกย่อมเกิดแต่กองรักภัยย่อมเกิดแต่กองรักผู้ที่หลุดพ้นจากของที่รักความโศกย่อมไม่มีภัยจะมีแต่ที่ไหนก็ในรดาคำเหล่านั้นคําว่าปียโตคือแต่ของรักเป็นต้นนั้นหมายความว่าก็ความโศกก็ดีภัยก็ดีอันมีวัตตาเป็นมูล เมื่อจะเกิดขึ้นย่อมอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเท่านั้นเกิดแต่ความโศกและภัยแม้ทั้งสองนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ปลดเปลื้องจากสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักนั่นได้แล้วในการจบเทศนากุฎุมีนั้นตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์ แกชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละเรื่องกุดุมพีคนใดคนหนึ่งจบ